ขอความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแร่หลพระโพทธญาณกำลังนำเสนอพระญาณของพระพุทธเจ้าที่ส่งบรรลุในยามสามแห่งฤาษีที่ปรงได้สัสรูอนุตตรสมาสัมปูติญาณเป็นข้อความที่รับรับสั่งเล่าโดยพรงเอง โดยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือข้อความเหล่านั้นไม่ว่าจะปรากฏในที่ไหนก็ตามก็จะมีพยัญชนะและอัถะเช่นเดียวกันบัจจุบันเราได้พูดมาถึงพยานข้อที่สองที่เรียกว่าจตูปปาติยานคือทรงรู้การจุติการุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่มันมีความแตกต่างกัน ก็เพราะว่ากรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและพระนิสแตกต่างกั น, กนรมความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจึงเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากกุศลและเจตนาอากุศลและเจตนาแล้วแสดงออกมาทางความคิดทางการพูดทางการกระทำมีผลกระทบทองบวกทางลบและสิ่งเหล่านั้นก็สะสมอยู่ในจิตสันดานของบุคคล จะเป็นกุศลเรือกุศลก็ตามแต่ส่วนหนึ่งก็จะให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์แก่เขาแล้วในชาตินั้ น, น, นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากก็ให้ผลยังไม่ทันก็ยกยอดมาให้ผลในรูปของชนกกรรับคือ น, นำคนมาเกิดในกำเนิดต่างๆที่แตกต่างกัน เจนวคติคือสถานที่เกิดพบภูมิที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิดแตกต่างกันอุปธิคือรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพสุขภาพพลานามัยพื้นฐานทางสติปัญญาความนุ่มเอียงความถนัดความสนใจเป็นต้นแตกต่างกันแต่กาละคือยุคสมัยที่แต่ละคนเกิดมานั้นไม่เหมือนกันจนแตก ออกมาเป็นรายละเอียดที่นำไปสู่การศึกษาเรื่องชะตาเรื่องดวงเรื่องอะไรกันแล้วก็อุปทิคืนความประพฤติการกระทาของบุคคลในชาตินั้นๆก็มีความแตกต่างกันได้เป็นความแตกต่างกันอยู่ทุกขณะแล้วก็สะสม จิตสันดานของบุคคลไว้เช่นเดียวกันในรูปที่เราเรียกว่าอาศวนปัจจัยเือสายการคบหาสมาคมการส่งเสพการเกี่ยวข้องที่ส่งแสดงโดยสรุปว่ายังเวเสวติตาดิโซคบบุคคลเช่นใดเป็นมิตรเสพสนิทกับคนเช่นใดก็จะเป็นอย่างคนเช่นนั้นแล้วพวกเหล่านี้มันก็่อให้เปิดเป็นกรรม ที่บุคคลกระทาใหม่ซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเรามามองที่ชาติปัจจุบันเฉพาะชาติเดียวนะมันก็มีกรรมที่เป็นอดีตไกลก็คื อ, คอที่เราทําสมัยเป็นเด็กๆแล้วก็อดีตใกล้ๆคือกรรมที่เราทําในวันก่อนเดือนก่อนหรืชอช่วโมงก่อนหรือนาทีก่อนและกรรมปัจจุบันขณะ ที่เราทำในขณะนั้นนั้นก็แสดงว่ามีอดีตกรรมติดตามมาเช่นเดียวกันแม้ในช่วงช่วงสั้นๆหรือช่วงชาติปัจจุบันผลการจำแนกแห่งกรรมนั้นที่จริงจำแนกเมื่อเรามองในรายละเอียดแล้วจำแนกตั้งแต่ระดับของความคิดในแต่ละขณะแต่เราตรวจสอบดูจิตของเรา ก็จะเพราะว่าเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตนั้นมีความแตกต่างกันตลอดแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ออกไปทา้งด้านบวกด้านลบเพียงแต่ว่าพื้นฐานของคนเราหนักไปในทางไหนมากกว่ามันก็ออกมาทางนั้นมากกว่าแต่ว่าก็เป็นยืนยันหลักการตรงนี้ว่าทุกช่วงของชีวิตที่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรปวนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการกระทำก็สืบเนื่องมาจากกรรมที่บุคคลเหล่ดนั้นกระทําเป็นประการสาคัญแล้วก็เป็นความรู้เห็นที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาการทางจิตที่มีปัญญาเกิดขึ้นอวิชาดับไปเหมืกับแสงสว่างเกิดขึ้นและความมืดถ่ายไป ล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายคือว่าใครก็ตามสามารถที่จะเสริมสร้างคุณสมบัติของตนเองขึ้นมาโดยใช้หลักธรรมสามข้อใหญ่คือความไม่ประมาทมีความเพียรที่ต่อเนื่องแล้วก็มีตนส่งไปคือมีความมุ่งมั่นไปสู่ผลสาเร็จคือหวังผลสาเ ร, ร็จรออยู่เบื้องหน้า แล้วในที่สุดก็จะประสบความสำเร็จปยานข้อต่อไปนั้นสภาพประไทยก็รับสั่งไว้เหมือนเดิมประดูกอรราชกุมาเรเหล่านั้นคันจิตตั้งมัน่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว ก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวักยานเขอาออาสวักยานนั้นก็คือประยานหรือแสงสวา่างหรือปัญญาที่บังเกิดขึ้นเนี่ยทหน้าที่ขจัดความมืดบอดด้วยอภิชาออกไปป้อนอาสวะนั่นก็คือเป็นชื่อของกิเลส ท, ที่หมักหมมสะสมอยู่ภายในจิตใจแต่เป็นการตรัสรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการ รูว้ว่านี่ทุกเหตุ Tipp, เกิดแห่งทุกนี kita, er ่ความรับทุกน <prohibited exception> <you> ี <önem fantastic> <fertilizer> ่เป็นทางให้ถึงซึ่งความรับไม่เหลือแห่งทุกเหล่านี้เป็นอาสวะเหล่านี้เป็นเหตุเกิดอาสวะเหล่านี้เป็นความรับอาสวะแล้วก็เหล่านี้เป็นทางให้ถึงความรับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลาย ถือประเด็นสำคัญบางทีถ้าเราไปเจอไหนที่บางแข่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในธรรมจักรกวัตนาสูเป็นการทรงแสดงตอบคำถามถึงวิธีการในการสัสรูแล้วก็สิ่งที่สัสรุแก่พระปัญญกวีพระปัจจักคีเขาสงสัยเรื่องการสัสรูของพระพุทธเจ้า เขามีความปักใจฝังใจว่าพระพุทธเจ้านั้นคลายความเพียนเวียนมาเวี่ยนแปลงมาเป็นคนมากๆแต่การไปพวกอาหารในแสดงว่าต้องไม่ศจสรู้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสรงยืนยันในการศัสรูพระองค์ก็ส่งแ ส, สดงถึงวิธีการในการศัสรูก็ที่จริงก็ขยายความจาข้อ น, นี้ไปนะแต่ว่าขยายค่อนข้างพิสดารเกี่ยวกัความว่าแทนที่จะเกิดเพียงพยาน โดยรวมๆนะฮะคือเพียงสี่ข้อแต่ก็กลายเป็นสิบสองระดับโดยเดียเป็นสัจจยานคือรู้ความจริงในระยะสัตว์แต่ละข้อว่าอะไรเป็นอะไรก็เป็นสี่สี่ยานด้วยกันสี่ครั้งด้วยกันน ะ, ะมันจะสี่ยานด้วยกันแล้วก็เป็นกิจยานคือรู้กิจที่ควรทำในระยะสัตว์แต่ละข้อก็สี่ครั้งด้วยกัน แตะเป็นกัตยานคือรู้ว่าได้ทำแล้วในแต่ละข้อก็สี่ครั้งด้วยกันรวมแล้วก็สิบสองแต่เรียกว่ายานสามซึ่งเกิดขึ้นในริยสัตว์สี่มีวนสามเมื่อาการสิบสองของเราไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นราหัสสมาสมพุท ธ, ธในหมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นวัน เ, เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงใช้คำว่า จักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาในการก่อนว่านี่เป็นทุกข์ทุกควรกําหนดรู้และเราได้กําหนดรู้แล้วซึ่งถ้าเรามาเทียบเคียงกับพระญาณตรงนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าเป็นการพูดในช่วงที่ว่าก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคยาน หมายความมาใส่จิตที่ถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะรู้ความรู้ก็เกิดพูดขึ้นคือเรื่องมันยาวอะเวลาจะนํามาทรงแสดงก็สรงแสดงเป็นการตัดตอนตรงไหนที่จะสื่อสารและคนฟังในขณะนั้นก็เข้าใจได้ดีก็ดึงมาเฉพาะตรงนั้นแต่ว่าจะต้องเข้าใจว่าพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดตอนไหนล่ะ ขันตอนไหนของเรื่องเหล่านั้นใกล้ๆกับว่าเรามองคุณลักษณะของสัตว์แล้วต้องการเดียวจุดเด่นของสัตว์เหล่านั้นมาสอนเราจะดึงมาเช่นสมมติว่าต้องการจะดึงถึงมานะของคนที่มีอยู่ในสัตว์วพาะสัตว์บางชนิดเนี่ย มีพลังอำนาจมหาศาลแต่สงบเสงี่ยมสง่างามยิ่งนักในขณะที่สัตว์บางตัวนั้นไม่ได้มีพิษสง์อะไรเลยแต่อวดยิงพยองลำพองท่านก็ผูกขึ้นมาเป็นคำกรอนวานาคีมีพิดเพียงสุรโยเลื้ยบอทรรมเดโชแชมชา ผิดน่อยพิดน้อยหญิงเจสโสแมลงป่องชูแต่หางเองง้าอวดอ้างฤทธิีคืออาเอาประเด็นเดียวนะฮะประเด็นของมานะกับไม่มีมานะมาชี้ความแตกต่างระหว่างมาแมลงป่องกับปรยิยนาคแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาปรยาิยนาคมาสอนเฉพาะเท่านั้นหรือเอ า, มาแมลงป่องมาสอนเฉพาะเท่านั้นที่จริ ง, รงก็สอนได้เยอะแต่ก็สอนเรื่องมแมลงป่องนั่นเอง เพียงแต่ว่าเอามาเป็นบทเรียนไม่ใช่ เ, เราเป็นมหลีงปองหรือเราเป็นพระญาณะเมื่อการสอนการมารลุพยานก็มีลักษณะอย่างนั้นในพระญาณทั้งสามนั้นโดยรับสั่งเล่าแก่ผูตธิราชกุมานซึ่งเป็นคราวาะนะฮะอย่าลืมผูตธิราชกุมารนั้นก็เป็นคารวะาแต่ปัญญวคิคีเนีเเนน่เขาเป็นประโสดาบันไม่ใช่เขเป็นพระ เ, เป็นนักบวช เป็นนักบวชประเภทภิกษุเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยเพราะโดยทรสง์แสดงรูปแบบในการแสดงคือถ้าแสดงตื้นเกินไปอย่างเนี้อย่างอย่างสมมติว่าครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ป่องายไม่มีกิเลสเนี่ย๋ยวต้องไม่ลืมว่าพระปัญญาวิชีดนั้นท่านผ่านเรื่องนี้มาแล้วท่านผ่านเรื่องนี้มาในตั้งแต่สมัยที่อยู่ในสนักอลาดาบทกะลามาโครุตการดาบทตรรมบุตร แล้วก็ศึกษาเช่นเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ศึกษาแล้วก็เป็นความรู้ของพวกพราหมณ์เขาวันได้ยกตรงนี้มาเนี่ยปัญญาขีมองไม่ออกว่ามันสัจสรุได้ยังไงเพราะท่านก็ได้ญาณได้ฌานมาเหมือนกันแต่ไม่เห็นว่าสัจสรุ้เลยและพระพุทธเจ้าเองก็บรรเทญเพียรมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะเรื่องการได้ฌานแต่ทีนี้พอมาพูดกับโพธิราชกูมาเนี่ยถ้าจะเอาเต็มยศมาอย่างนั้นเนี่ ปุติรากุมานก็งงอเพราะตัววิปัสสนาก็ใช้คำเดียวคือน้อมไปเพื่อรู้คือไม่ได้ใช้คำพิสดารอะไรปุติรากุมารซึ่งเป็นคราวาดท่านก็เข้าใจนะนั่นก็คือเราเห็นถึงวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ว่าเราในฐานะผู้ศึกษาเนี่ยไม่ควรจะมองคือยึดติดอยู่ในสตุดใดสตุ๊ดหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะเอาตัวสระทที่แกนหลักไว้ให้ได้ว่าโครงโครงสร้างของพระยานหรืออาสวะขยานก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการเจริญ น, นาปานสติได้บรรลุสมาธิได้บรรลุรูปฌานสี่มาจนถึงเจตุตุทฌานเนี่ย ยกยิดขึ้นสู่วิปัสสนาพิจนาสังขารทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วก็น้อมพระไถยไปเพื่อจะรู้ถึงความจริงในอดีตคืออยู่เบื้องหลังชีวิตอยู่เบื้องหลังสังสารวัฏตรงก็มองไปในตรงนั้นแล้วในสุดมันก็เกิดพยานผุดขึ้นมาตามตำดั พอพอเรามานำเรียงแบบอริยสัจซึ่งคงเจียวพูดพิสดารอีกคราวหนึ่งนะที่ธรรมจักรวัฒนาสูตรเมื่อถึงธรรมจักรพัฒนาสูตรในตรงนี้ก็แสดงสั้นๆเรารู้ว่านี่ถุกนี่เหตุเกิดแห่งทุกนี่ความรับทุกนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุก นี่อาสวะนี่เหตุเกิดอาสวะนี่ความดับอาสวะนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับอาสวะทีนี้คำว่ารู้เนี่ยประเด็นสาคัญของคำว่ารู้ในความหมายของพระพุทธศาสนาที่จริงทุกตอนน่นะปริมาณของความรู้เหมือนปริมาณของแสงสว่างเวลาแสงสว่างเกิดนั้น ความมืดจะต้องถูกกระจัดออกไปสิ่งที่เคยอยู่ในที่มืดจะปรากฏตามความเป็นจริงแล้วก็คนซึ่งมองจากแสงสว่างนั้นก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความจริงความจริงว่ามันเป็นเข้ามาอย่างไรก็เห็นจริงตามนั้นก็ทำให้สิ่งที่ทรงเรียกว่าอาสวะทั้งสามประการนั้นก็หมดไป ทีนี้มันก็มีกลุ่มของตรงตีอยู่เนี่ยโดยจะเฉพาะคือกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มที่เป็นโครงสร้างใหญ่กลุ่มของทุกนั้นได้แก่สภาพของที่จริงก็สภาวธรรมทั้งหลายนะฮะเป็นสภาพที่เป็นปัญหาจะถามว่ามันเป็นปัญหาด้วยตัวของมันเองหรือเป็นปัญหาเพราะเราหาเรื่องให้เรามีปัญหาคือมันเป็นปัญหาเพราะจิตไปยึดมัน ถ้าจิตเราไม่ยึดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพรัดพรากมันเป็นข้ามันอย่างนั้นแหละชั่วนาตาปแบบีชั่วกับชั่วกันเราจะเกิดมาหรือเราไม่เกิดมามันก็เป็นข้ามันอย่างนั้นแต่วันใดที่เราไปจับเข้าว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราเราเดือดร้อนทันทีเลยเราแก่เราเจ็บ เราตายเราพลาดพลากญาติของเราแก่ญาติของเราเจ็บญาติของเราตายญาติของเราพลัดพลาดแต่ว่าถามมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปไหมเอาเข้าจริงก็ไม่เสมอไปเพราะถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเรามองเขาเป็นศัตรูมันก็ชักจะดีใจนะฮะว่าสสูเราแก่สสตรูเราเจ็บสสตรูเราตายสสตรูเราประสบความพิบัติสูญเสีย อเนกอั น, นันทริดเนื้อประดาตัวแล้วรู้สึกสะใจเลยก็ตกลงว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นปัญหามันอยู่ที่เราคิดมันอย่างไงเรามองมันอย่างไงมันเองเราจะมองมันอย่างไรก็ตามมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าก็เอามันมาเป็นครูแล้วก็หาประโยชน์จากมัน แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงก็มันยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงก็มันยังไงแต่นั้นจึงทรงสอนในรูปของแก้สาเหตุหลักก็คือตัณหาแต่ในขณะเดียวกันก็พูดถึงอาการที่ต่อนเนื่องมาจากตัณหาคือจิตที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเนี่ยยึดมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเราเป็นว่าเป็นรัวเป็นต น, นของเราก็ะาำ และจากนั้นแหละจิตเราก็จะแปรผันไปเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราไปทึกทักนะฮะคือไปทึกทักกันว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นเราเป็นตนของเราเพราะก็จริงแล้วที่จริงชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างตลกก็สมควรถ้ามองให้ลึกนะฮคือตัวเราเองเรายังบังคับอะไรมันไม่ได้เลยอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะพูดจากันไม่เคยรู้เรื่องเลย ไม่อย่าเจ็บนะอย่าป่วยนะอย่าปวดท้องนะจะทำงานหน่อยอะไรแต่ไรไม่ได้เลยมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเราก็รู้แสนรู้นะแต่เราก็ไปเมาทึกทักเอาเป็นของเราเราเป็นดังนั้นเราเป็นดังนี้เราเป็นดังโนนเราก็เป็นตัวเป็นตนของเราตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากตัณหาหรือว่าจะเรียกว่าอาสวะก็ได้นะ แต่ว่าตัณหาเนี่มันเกิดขึ้นทำปฏิกิริยาตัวจิตคือทำจิตได้ดิ้นรนส่ายไปเพื่อคอยคว้าปรารถนาถือครองครอบครอ ง, รองสิ่งทั้งหลายที่ตัวใคร่ตัวปรารถนาตวพอใจเราสังเกตนะฮะว่าอะไรก็ตามที่มันวางของมันอยู่อย่างนั้นเน่เราไม่รู้ค่าของมันเราไม่ประเมินค่าของมันเราไม่ตีค่าของมัน มันก็อยู่อย่างที่มันอยู่มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่พอเราไปประเมินค่ามันไปตีค่ามันจิตเราจะเกี่ยวกาะแล้วือความรู้สึกว่าเป็นของเราบางเป็นเราบางเป็นโกวเป็นต น, นของเราบางปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นและวบางทีปรารถนาเกินเหตุเกินผลนะฮะแต่ก็ยังปรารถนาไปซื้อสลากินแบ่งด้วยกัน ตัวเลขไม่เหมือนกันนะฮะแต่ต่างคนต่างอยากจะต้องสูกในวันที่หนึ่งเหมือนกันซึ่งใน ว, วันที่หนึ่งนั้นที่จริงเลขมันต้องเหมือนกันแล้วก็ต่างคนต่างก็ซื้อคนละเลขนะฮะคนละแผ่นคนละใบอะไรก็แต่แต่ก็อยากได้เหมือนกันหรือว่าอยากให้ลาบเกิดขึ้นแกเราอยากพี่น้องของเราในทางที่ชอบ อยากให้ลาบเกิดขึ้นแก่ยศเกิดขึ้นแก่เรายาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบขอให้เราตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือว่าขออย่าให้แก่อย่าให้เจ็บย้าย้ตายอะไรแต่อะไรเนี่ยและจนสมันก็เดือดร้อนเพราะว่าตหานี่มันทำห้หน้ามันมืดมันละเอยดผลมันไม่ยอมรับกฎของความจริง แล้วพอปฏิเสธความจริงแกก็เดือดร้อนฮะให้ลองสังเกตว่าพอเราเข้าใจยอมรับความจริงเพียงวูบเดียวเท่านั้นเองความเดือดร้อนก็สงบเชื่อสมมุติว่าแม่เราแก่แม่เราตายเอาแม่เราตายอะแม่เราแก่ม่่แน่อยู่แล้วก็แก่กว่าเราอยู่แล้วแม่เราตายเนี่ยจะตายโดยบัติเหตุจะตายโดยเป็นลมจะตายโดย ธรรมดาจะตานอนสมอยู่บนเตียงเวทีๆแล้ ว, ว, วก็ตายก็ตายาลนะมันคือตายทำใจได้ตั้งหลักได้มันก็คือตายก็ไม่มีอะไรแต่พอเราไปแข่งขืนไปปฏิเสธตัวสภาวธรรมของมันเพราะในตัวสภาพปัญหาคือตัวทุก์เนี่ยตัวสภาวะจริงๆนี่คือเกิดแก่ตาย ความสุขความร่ำรวยร่ำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจอะไรแต่ว่ามาเป็นชุดๆๆเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากความเกิดแค่นั้นเองหมายความว่าถ้าไม่มีตัวตนให้เกิดมาเนี่ยไอ้ความสุขความร่ำรวยร่ำพันธความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจอะไรต่อไรมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันในความสุขเหล่านั้นถ้าเราไม่ไปประเมินค่ามัน ไม่ไปตีค่ามันว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตัวของเรามันก็ไม่มีอะไรอ่ะนะเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นว่าการพละดพราดสูญเสียการบาดเจ็บล้มตายการประสบอันตรายการเข้าโรงพยาบาลการแก่เนี่ยคือถ้าเราสามารถที่จะรับรู้แบบอูทิตาทิปไป น, นะจะเห็นว่าคลื่นแสงคลื่นเสียงตรงนี้มันจะเข้ามาทียึบต่อเนื่องตลอดชั่วกับเทวกัน ทวโลกไม่มีคนแก่ทุกขณะมีคนเจ็บทุกขณะมีคนตายทุกขณะมีการรั่วๆทุกขณะมีการสูญเสียอยู่ทุกขณะเพียงแต่ว่าเรารู้ไม่หมดเลยอีกอย่างหนึ่งมันไม่ส่วนใหญ่มันไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าคนที่เกี่ยวกับเรามีจํานวนไม่มากคนเราเกิดมาชาติตึงเป็นเกี่ยวข้องปลูกพันกับคนที่เอาขนาดสักร้อยคนเนี่ยนะฮเยอะแ้นนะ เกี่ยวข้อบุคคลที่มีส่วนกระทบต่อจิตใจยอย่างแรงเนี่ยไม่กี่คนนะคมับอยู่ในแวดวงใกล้ชิดต่คนใกล้ตัวนั่นเองพเอเราคัดจริงเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ใจเราไปกําหนดไปกําหนดค่าของเขาไปกําหนดเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราพอถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็เสียใจ อ๋อแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงในทางที่เราชอบเราก็ดีใจเลยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นกันสิ่งเหล่าเนี้มันเป็นการศึกษาโดยโครงสร้างแล้วจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในวิถีชีวิตของเราคือไม่ใช่มองเฉพาะเต็มยศอย่างเดียวนะฮะคือดึงส่วนต่างๆของเขามาแล้วกลายเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการปฏิบัติในการทํางานของเราได้ในทุกๆกรณี ตั้งฟังทลายใต่ ร, ร่มระวัทยญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุ์ในธรรมสมีแด ท, ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี